ช่างตัดผมโง่เรื่องนี้เกี่ยวกับเมืองที่ชื่อพอลิปูตราครั้งหนึ่งเคยมีพ่อค้าชื่อมานิบา德拉กับภรรยากาย atri พวกเขารวยมากพวกเขามีที่ดินมากมายและอาศัยอยู่ในแมนชั่นมานิบา德拉เป็นคนใจดีเขาไม่เคยเย่อหยิงทนงในสมบัติของตัวเองเขาทํางานหนักมากในชีวิต ภรายาของเขากายตรีเป็นคนที่ฉลาดมากเธอไม่ให้ใครกลับมาจากบ้านเธอแบบมือเปล่ามานิบาดรากับกายตรีเป็นคนโปรดของเมืองพวกเขาโด่งดังทุกๆโอกาสพวกเขาจะเชิญคนเข้าบ้านมาเลี้ยงด้วยความใจดีที่บ้านของพวกเขาจะมีแขกเสมอพวกเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาก พวกเขาจะให้ของขวัญแพงๆกับแขกและอาหารในแบบต่างๆดูนะกกย์ตรีเรามีเพื่อนที่หวังดีเยอะมากเราจะไม่หิวและไร้บ้านถ้ายังมีคนดีๆพวกนี้กับเราพวกเขาไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนโอ้ที่รักคุณนี่ไร้เดียงสาจริงๆคุณให้ของขวัญฟรีๆโดยไม่หวังอะไรตอบแทนพวกเขามาที่นี่เพราะเราเลี้ยงพวกเขาเท่านั้น วันหนึ่งที่เราไม่เหลืออะไรพวกเขาจะไม่เห็นหัวเราเลยไร้สาระอย่าคิดแบบนั้นพวกเขาคือคนของเราฉันรู้ว่าคุณไม่ฟังฉันหวังว่าวันที่ฉันกลัวจะไม่มาถึงก็แล้วกันแต่กยัตรีคิดถูกอนาคตกําหนดชะตาไว้ให้พวกเขาหน้าร้อนหนึ่งเรือของมานิบาราหายไปท่ามกลางทะเลเขาเสียสินค้าของเขาทั้งหมด พวกเขาตามหาเรือแต่พวกเขาตามหาไม่เจอมานิบาราต้องชดใช้เงินให้ลูกค้าของเขาเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่ทุกๆคนก็หาข้ออ้างและบอกปัดเขาตลอดมีอะไรเหลือที่รักมีคนช่วยเหลือคนหรือเปล่าไม่ทุกคนเหมือนกับจะมีปัญหาของตัวเองพวกเขาช่วยผมไม่ได้ กตรีรู้ว่าเพื่อนของบานิบัตราก็แค่ให้ข้ออ้างแต่เธอก็รู้ว่าสามีเธอคงไม่เชื่อเธอก็เลยเงียบไวหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องขายที่ดินของตัวเองทั้งหมดเพื่อที่จะหาเงินมาชดใช้แต่เขาก็ยังขาดเงินหลังจากนั้นเขาเลยขายแมนชั่นของเขามันช่วยเขาได้มานิบัตรจ่ายหนี้ของตัวเองออกไปจนหมดแต่เขากลายเป็นคนจนแล้วเขาอยู่บ้านเล็ก และทํางานที่ดินของคนอื่นแล ะ, และหาเงินกยตรีรับงานเป็นคุณครูเพื่อที่จะช่วยหาเงินเข้าบ้านทั้งสองคนทํางานหนักมากแต่หลังจากที่จะปัญหามากมายมานิบาตรากับกยตรีก็ยังใจดีและมีน้ําใจกับทุกคนพวกเขาได้เงินพอจนสามารถเลี้ยงแขกได้วันละคนพวกเขาไม่มีของขวัญแพงๆและอาหารหรูๆเอาไว้เลี้ยง แต่พวกเขามีจิตใ จ, จการดูแลและคำพูดที่อบอุ่นเวลาผ่านไปแต่ไม่มีแขกมาเลยคนที่มานิบาราเคยคิดว่าเป็นเพื่อนตอนนี้มองเขาและเดินผ่านไปโดยไม่ยิ้มหรือสัมมานิบาราเศร้ามากคุณพูดถูกกายตริพวกเขาไม่ใช่เพื่อนเราพวกเขาไปบ้านเราเพื่อจะให้เราเลี้ยงและดูแลและให้ของขวัญแพ ง, แพง ถ้าผมฟังคุณคงดีผมขอโทษกายตรีผมไม่เหลืออะไรแล้วผมให้ชีวิตดีๆกับคุณไม่ได้แล้วอย่าพูดแบบนั้นที่รักฉันดีใจที่ได้อยู่กับคุณเพราะคนอื่นไม่สนับสนุนเราในเวลาอันลำบากมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวตวนของตัวเองคุณคือชายแห่งหลักการความซื่อสัตย์ของคุณจะตอบแทนเข้าสักวันแต่ม น, นิบัตราหัวเสียเกินกว่าจะเชื่อกายตรี เธอพูดแบบนี้เพราะเธอรั ก, กเราเราโง่ามาตลอดชีวิตความโง่ของเราจะไม่มีทางตอบแทนเราเราจะเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้เราจะเจอกับความผิดนี้ยังไงเราผิดทั้งหมดเราตายดีกว่าที่จะมาใช้ชีวิตอย่างผิดผิดแบบนี้ตลอดไปเขาเผลอหลับไปพร้อ ม, มโทษตัวเองมนีิเติรนขึ้นมามาดิฮะอะไรนะ คุณคือใครฉันคือพระฉันมาเพื่อที่จะช่วยนายนายจะเสียใจไม่ได้ในช่วงเวลาลำบากนายจะต้องปะทหากับปัญหาทั้งหมดผมเป็นคนโง่ผมเผชิญกับความผิดของตัวเองไม่ได้หรอกนายไม่ได้โง่คนโง่ก็คือคนที่ทำอะไรโดยไม่คิดถึงความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายก็แค่เรื่องโชคร้ายเรื่องหนึ่งและฉันมาเพื่อที่จะช่วยนายอะไรนะ คุณจะช่วยผมทําไมและช่วยยังไงมีนายพูดถูกพระกวามตื้อสัตว์และการทํางานหนักมันหลายปีของนายฉันเลยมาที่นี่นี่คือรางวัลและฟังฉันนะพรุ่งนี้ฉันจะมาเคาะประตูบ้านนายจําหน้าฉันให้นี่แล้วก็เอาไม้สัมผัสหลังหัวฉันฉันจะกลายเป็นท้องไหใหญ่โชคของนายทั้งหมดจะกลับมาและจําไว้นะ อย่าทำแบบนี้กับพระคนไหนไม่งั้นานายโดนทำโทษแน่ฮะฝันแปลกมากๆเราน่าจะมัวคิดถึงแต่เงินแล้วหลับไปเมื่อเขาเดินออกไปนอกบ้านเขาเห็นพระคนอื่นๆที่เดินผ่านบ้านเขาอืมหรือว่าจะเป็นคนนี้นะไม่พระคนนั้นบอกว่าเขาจะมาและจำหน้าเขาให้ดี ไม่ว่าฝันจริงหรือเปล่าเราจะตีใครโดยที่ไม่คิดก่อนไม่ได้เมื่อมานิบาตรานั่งลงเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูโอ้ใครเนี่ยนั่นพระเหรอไม่ๆๆๆฉันเองช่างตัดผมไยบอกให้ฉันมาอ๋อเหรอเข้ามาเลยเมื่อมานิบาตรานั่งลงเพื่อที่จะตัดผมก็มีเสียงเคาะประตูอีกที่รักมีพระคนหนึ่งที่หน้าประตูฉันจะให้อะไรเขาดี พระเหรอไปไป เ, เร็วเอาไม้มาให้ผมไม้เหรอผมไม่มีเวลาอธิบายไปเอามาเร็วโดยไม่ให้ช่างตัดผมตัดผมเขาให้เสร็จมานิบาดรา ว, วิ่งไปหาพระด้วยไม้พระเข้าบ้านมาแล้วหลังจากนั้นเขาเอาไม้สัมผัสที่หลังหัวของพระหลังจากนั้นก็โอ้อะไรกันนี่ทองมากมายเลยยสเราจะไม่จนแล้ว พวกเขาดีใจมากจนลืมไปว่าตอนนั้นมีช่างตัดผมในบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโอ้พ่อขาทำแบบนี้เลยรวยสินะมันไม่ยากเลยนะแบบนี้วันถัดไปช่างตัดผมวางแผนเขาไปที่สถานที่ที่พระอยู่และเชิญมาที่บ้านพระลังเลแต่พวกเขาสงสารช่างตัดผมที่ขอแล้วขออีพระตามช่างตัดผมไปที่บ้าน และเมื่อพระเข้าบ้านไปชัางตัดล็อกประตูด้านหลัง <c oughs> แล้วก็เอาไม้ตีหัวพระออกไปเดินทะไรเดียวช่ยช่วยราด้วยวันนี้มันบ้าบ้าเลยไม่ดีแน่เขาเข้ า, ขาเราแน่เลยพราะคนหนึ่งหนีไปได้และบอกให้ประชาชนช่วยพระอีกคน <c oughs> ทุกคนบุกเข้าบ้านไหม <c oughs> ช่วยพระอีกคนไว้ช่ <c oughs> างตัดผมกลัวมาก <c oughs> <c oughs> คนโกรธมาก เมื่อได้รู้ว่าช่างตัดผม<บ>ทำอะไรลงไป yeah, yeah, yeah. พวกเขาวิ่งไล่ช่า ง, <Yeah, yeah. S 1> งตัดผม oh. ช่างตัดผมออกจากเมืองไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมานิบาดาและกยะตรีเห็นทุกอยา่างพระพูดถูกคนโง่คือคนที่ทำอะไรโดยไม่รู้ความจริงช่างตัดผมรู้แค่ว่าผมเอาไม้ตีหัวพระและเขาก็กลายเป็นทองแต่เขาไม่รู้เรื่องฝันของผมเขาทำอะไรโดยไม่คิด เลยไปตีพระผิดคนเข้า